หท่านไปเห็นงูเขียวหางไหมนะครับซึ่งชาวบ้านนี่ร่ารวยกันมากว่ากัดแล้วเนี่ยไม่รอดครับสามชั่วโมงนี่ก็ตายนะผมกำลัวงวาดรูปอยู่ท่านให้เนนเปตะโกนเรียกร้ามาดูอะไรบางอย่างอผมก็ลงมาจากห้างเราะนั้นเขียนรูปเพดานอยู่พอไปที่ท่านยืนอยู่ท่านที่ดูงูเขียวหางไหมครับท่านบอกนี่มันสวยไม่ใช่น้อยเลยนะท่านยืนใกล้มากบอกเนี่ยมัน ดูสิเกรดมันสีทำไมสีมันสีเพราะมก็ขยันขยันอยู่แต่ก็ดูแต่บังเอิญสุนัขที่ตามท่านเหือนนั้นวิ่งกันไปเหยียบหัวข้างไม้นะฮะขีเข้างไม้นะะมันก็ไม่กัดมันช่างทอมและสุภาพถ้าทธิบายนะบอกท่านดูมันไม่เคยมันมันนู้นไปว่ามันว่ามันน่ากลัวแต่จริงจงมันไม่อยากกัดใครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านชี้เห็นนะครับภาษาต้นๆที่ผมอยู่ที่นั่น ท่านเน้บอกว่าให้ตื่นแต่เช้าดูตีสีนะครโดยเฉพาะยิ่งฝนพลมๆตื่นแล้วก็ไปที่ริมห้วยไปดูว่าปลาแล ะ, มะแมลงมันอยู่อย่างไรในช่วงที่เราหลับไหลกันอยู่ตลอดเวลาเราถือว่าใกล้ลุ่งฝนตกมันยิ่งสบายหนักใช่ไหมชักประโคมก็นอนหลับอุ่น ต, ต่นท่านบอกว่าความลับมันอยู่ที่นี่เราต้องพลิกพลิกสถานการณ์ การเวลาฮับบิตนิสัยของเราที่ก่อตัวขึ้นในกิจวัตรประจําวันในชีวิตประจำวั น, น, ววนเพื่อจะเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของชีวิตสมมติเรานอนตั้งแต่ช่วงนิ่งช่วงนีงน้เราไม่รู้เรื่องนั้นเองนั้นท่านแนะให้ทำเราเห็นว่ามีทุ ด, ดงอยู่หมวดหนึ่งที่เรียกเนศชิกทุ ด, ดงนะอยู่สว่างไม่ใช่เพิ่ทางตาต่อสู้ความง่วงอย่างเดียวครับผมเข้าใจช่วงนั้นเป็นช่วงสงดวิเวกโลกทั้งโลกกาลังหลับโลกๆรอบตัวนะท่านเคยเขียนไว้ในบางแห่งว่า พวกมแมลงพวกสักตว์ตื่นตื่นตาตื่นใจผมเคยทดลองปฏิบัติตามนะครับก็จะมีลำดับของเสียงนกร้องกอเนสัชิกไม่ใช่เพียงแต่ว่านั่งสู้ความง่วงไม่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงหล่อเลี้ยงความสดชื่นไว้เพื่อรับทราบเพื่อสัมผัสโลกซึ่งเป็นความลีหลับประดุดดวงจันทร์ที่หันอีกด้านนึงมาสู่ดาวโลกซึ่งเราไม่เคยเห็นนะครับดันั้นเราจะได้ยินเสียง แปลกๆไปทั้งคืนส่วนใหญ่พระยินคําัตถุดงนี่เราเมตตามองอย่างเงี้ยความรู้สึกลบต้องต่อสู้ทางตาทระหดอดทนนะซึ่งมันไม่สามารถทำนาดวงจิตให้ใหมีสุนทรียภาพได้สุนทรียภาพนี่ก็คือความรักนั่นเองครับความรักต่อความทุกข์ยากขรุขรความโดดเดี่ยวความไม่ยอมนี่ดวงจิตพังพินาศเพราะความร้ายซึ่งความรักในสั ญ, ญลักษณ์ที่สําคัญมากที่ใต้ต้นโพนะครับ โดยคนทั่วไปคิดว่าการตรัสรู้สมมาสโพ ธ, ธิญาณของพระเจ้านั้นเป็นอัจฉริภาพส่วนบุคคลใช่ไหมครับเราคิดว่าท่านเกิดเพื่อตรัสรู้แต่เราลองไปดูรหัสสัยญาที่อาจารย์รุ่นโมราณ น, นะครับพูดไว้ก็คือคือนั้นพระเจ้าช่วยตัวเองก็ได้เลยครับเพราะว่าท่านต้องะจญกับมานเพียงอธิษฐานบารมีเนื้อเลือดเหยืแท้งก็ตามทีใช่ไหมครับทุกคนคงจําได้แต่แล้วท่านพึ่งตัวเองไม่ได้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 ต้องมีอรมรักแต่ว่าอาจารย์นุชวรานเขาได้แสดงมติผมคิดว่าสําคัญอยู่อรดีคืออรตินะครับปติแด้ว่ารักอร์แด้ว่าไม่ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะืความรักต่อวิถีชีวิตทึ่โดดเดี่ยวทุกยากหรือถูกทอดทิ้งไม่ยอมทําลายหัวใจตัวเองให้ให้สับสนไปกับไปกับสถานการณ์เลวร้ายที่แวดล้อมอยู่ อรดีนะครับอรติแปลว่าความไม่รักความไม่ปรองใจลงไปในที่หนึ่งที่ใดที่ตัวเองมีความรักเช่นรักต่อโพธยานรักต่อการภาวนาอะไระครับดัง น, นั้นจะเกิดเป็นดุสักขึ้นครับที่ดาว ม, มาทั้งสาสัมพันธ์กันอยู่เหตุที่ไม่รักก็เพราะว่ามัวแต่ราคะมัวต่โทสะนั้นความรักอันนี้นี่ไม่ใช่ความรักเฉพาะเจาะจงใ น, นหนึ่งกันใดถ้าเฉพาะจงกลางเป็นราคะกลางเป็นตัวต้นใช่ไหมฮะ ซึ่งหนีไปพ้นจากโทสะถ้าพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วนีความรักที่หนีเนี่ยเป็นการแผ่กระจายไปสู่สรรพสัตว์เมือ่อพระเจ้ากําหนดที่ดา ม, มาทั้งสามได้ที่ดา ม, มาทั้งสามก็จบสิ้นบทบาทแน้วตอนนั้นก็เป็นบทบาทของแม่ธรณีครับนั้นการศัตว์ของพระเจ้าเนี่ผู้ที่มีบทบาทสูงที่สุดคือแม่ธรณีลุกขึ้นบิดมวยผมจําได้ไหมครับนี่ผมทบทวนในเรื่องของอ ป ร, ปรามราติแต่ว่าปรามรากตินั้นมีบทบาทสูงมากในการอธิบายสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล เ, เราอาจจะคิด่เป็นเรื่องแต่งเล่นนะแต่ว่าไม่นะครับบททุกแห่งในประเทศนี้นะถ้าทำตามปฏิบัติตามขนบเพนี้าการวาดรูปเบื้องหน้าพระประธานนั้นจะต้องเขียนแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยพระเจ้าพระเจ้าสังสมบา ร, รมีมามาถึงที่สุด บารมีเหล่านั้นนะครับประมวลขึ้นมาเป็นพลังลึกลับของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการสัตดุอนุตรสัมมาปฏิยานไม่ใช่ลักษณะจเนียสหรืออัจฉริยะยิ่ยงนักธนิตศาสต ร, ร์ยิ่ยงศิลปินผู้ยอดเยี่ยมไม่ใช่นั้นครับอันนี้เราต้องเผื่อนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าคนที่ฉลาดมากๆรู้เหตุรู้ผลหรือที่เราเรียกกันว่า rationality สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลได้จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ธรรมะมากกว่า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 พระคำพีบอกว่าดวงจิตท่านหลุดพ้นจากอาสวะเลยก่อนหน้านั้นท่านมือชุ่มเลือดครับเราจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเขาครั บ, รบเพราะว่าเหตุผลคือพัฒนาการทำอย่างนั้นแล้วดังนัน้นมันมีเรื่องลี้ลับอยู่ธรรมชาติภระดดยหรือกระบวนทัศโบราณบอกว่าบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งบารมีไม่เสริมทำยังไงก็ไปไม่ถึงแต่นคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวนี้จืดจางแล้วเราไม่เคยได้ยินแล้วครับ แต่บุญพาวาสนาส่งบา ร, รมีเต็มยังไงก็ยั้งไม่อยู่เห็นไหมฮะคติทัศน์อันนี้ครับสําคัญคสำคัญสำคัญที่ว่าในทุกแง่ทุกมุมตรงที่ว่าถ้าเราฆ่าคนอื่นทำรายเบียดเบียนเรากำลังขวานลังแกบา ร, รมีเขาจะรึเปล่าไม่ว่าในช้างม้าวัวควายนะฮะสายสัมพันธ์อันนี้ลุ่มลึกไม่ตื้นเหมือนกับคติที่ว่าเกิดมาแล้วก็จากท้องแม่เดี๋ยวก็ตายแล้วก็จบ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 หญิงผู้เศร้าโศกความเศร้าโศกกุ่มรุมจนเสียสติไปนึกออกในชะ่ไหมฮะที่ลูกสองคนสามีพ่อแม่ตายไปในคืนเดียวเกิดเสียเสียจริตไปเลยแล้วด้วยถ้อยคำจัด ท, ที่เต็มปี ม, มด้วยความเห็นใจนะั้นซึ่งพระเจ้าไม่ค่อยใช้นะฮะท่านเรียกว่าน้องสาวดูกนพัคคินีแล้วลงแปลเป็นไทยดูคถ้อยคำอนี้ขววาาเข้าไปกำซาบเข้มไในใจก็ เพรปรตาจลากิว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกแล้วครับหมดสิ้นที่พึ่งโดดเดี่ยวในทถ้ำกลางของมนุษย์ซึ่งไม่รู้จักกันเลยครั้นได้ยินคำมาดูก่อนน้องสาวเนียผมเข้าใจตัวเองนะเดาครับเข้าใจว่างคงเลียดสติกลับมาว่าโลกนี้มันไม่โหดร้ายเกินไปละเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทําให้ความรู้สึก ข, ของเราฟืน้นชีวิตขึ้นใหม่คือก่อนหนั้นนี่นไม่สามารถรวบรวมมาได้เลยองค์ุริมานก็เหมือนกัน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 คือกระบวนการธรรมชาติที่มนุษย์ยังเข้าใจไม่ได้ลองนึกเทียบดูนะครับการที่มนุษย์เติบโตทั้งทางด้านวิทยาการเเบเฉพาะวิทยาศาสตร์มนุษย์รู้แล้วเท่าไหร่ของความรู้ทั้งหมดเนี่เรารู้ไม่ได้ถ้าเรารู้ได้ว่าเราจะเดิญกี่มากน้อยเราต้องรู้ตัวเต็มมันก่อนใช่ัหมฮะเช่นทางร้อยไมเนีนะ่ถ้าเราเดินไปยี่สิบไม้เราจรึงจะรู้ว่าเดินไปแล้วกี่มากน้อยถูกไหมฮะแต่นี่ตัวเต็มนี่เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่า ความลี้ลับของจักรวาลทั้งหมดนี่คืออะไรเท่าไหร่เราไม่รู้ในร่าเราตอบไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการนี้เราจะเริญแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้ครับจนกว่าเราจะเจอเอาภูมิปัญญานอกวิพภพมาเทียบก็ า, าจจะรู้อีกทีหนึ่งถ้าเราเจอภูมิปัญญานอกวิพภพนะแล้วมาสนทนา ก, กันเรารู้เออเราล่าหลังกันอยู่อย่างไรรวมความว่าห้วงจักรวาลอันไพศาลนี้นะเต็มไปด้วยความลี้ลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ แต่มนุษย์ก็เข้าใจได้เท่าที่เงื่อนไขของสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์จะเข้าใจได้แต่เราจะเกิดอหังการว่ามนุษย์เนี่ยรู้อะไรมากแล้วจนกระทั่งว่ามนุษย์ได้พังทลายความลี้ลับลงได้แล้วไม่ได้ครับทุกสิ่งลี้ลับอยู่เราพูดได้อย่างไรเราตายได้อย่างไรเรารู้ตัวได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งลี้ลับทั้งสิ้นกล่าวได้นะครับว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือความลี้ลับ ที่เรารู้เนี่ยเราก็รู้ครับแต่เรารู้ด้วยการเทียบเคียงคําว่าลัชนั่นคือคําว่าเลโชนะครับเราเทียบเคียงการเทียบเคียงนัน้นลักษณะที่เฉยนิ่งไม่ทันกับความพลวัตของธรรมชาติเมื่อเราเรียนในเลขคณิตนะว่าสองบวกสองเป็นสี่ถ้าผมพูดว่าเมฆสองก้อนรวมกับเมฆสามก้อนเป็นห้าก้อนการคิดนี่ถูกครับแต่บางทีในความเจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมีตัวแปร ลมกับชกรูบเดียกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็มีเอในธรรมชาติมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงมีตัวปลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคตินิยมอันหนึ่งคติทัศน์อันหนึ่งนะที่ว่าท่ามกลางความเป็นปุถุชนคนทุกขทุกทรมานด้วยอุปาทานกิเลสตัณหาเนี่ยนะมนุษย์สามารถคลิกสถานการณ์อีกด้านหนึ่งไม่ได้ไหมในการเอาชนะความทุกข์ถ้าความเชื่ออันนี้ความเข้าใจนนี้ไม่ไม่มากพอนะ เราก็จะกลายเป็นยอมรับสภาพทุกข์และกิเลสตัณหาเรื่อยๆมีการพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับตรงนี้เองที่เป็นเรื่องของศาสนธรรมที่ลุ่มลึกพระพุทธเจ้าก่อนหน้าจัุรูนะฮะเป็นบุตุชนครับและมันน่าแปลกมากครับก่อนการจตสรูนะฮะก่อนเที่ยงคืนนี่ท่านเป็นปุตุชนอย่างอย่างมากเลยเพราะคิดถึงลูกคิดตึงเต้าใช่ไหมฮะแต่มาด้วยความสอบสนแต่อธิษฐานบารมี แรงที่สารวันี้สูงในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่เป็นโสดาตอนไหนไม่มีใช่ไหมครัไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยแต่และวพอใกล้สว่างเนี่ฐานการพลิกผันในด้านเลยก่อนหน้านั้นเจ้าชายนะนักบวชที่เป็นเจ้าชายสิทธะอดีตเป็นเจ้าชายนั้นยังไม่รู้ธรรมะครับตอบคําถามองอืนไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ปรารถนาการตรัสรู้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่รู้ถูกไหม สอนคนอื่นไม่ได้ในระดับที่ทสุดเลยนะสอนไม่ได้แต่ปกลายฐานการพลิกผันเป็นพระพุทธเจ้านี่ เ, เป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการการตรดสรู้อีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าท่านถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสอนได้นั้นสองช่วงนี้สําคัญมากเลยถ้าคตินิยมของตนตกเขาจะมองว่าเป็นคนเดียวมาตลอดถ้าท่านไปดูปฏิมากรรมนะศิลปะของกรีกนะั เขาจะมองชีวิตของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชายในพระราชวังจนออกบุชรเราก็เป็นวีรกรรมแล้วก็ตายที่ต้นโพมีสาวกเหมือนกันเรื่องราวของโนนิยายหรือมีตัวเอกตัวเดียวตลอดตัวเนี้ยที่แก่เท่าแสดงอัจฉริภาพคือมองเป็นคนเดียวตลอดแต่ถ้าคตีทางนั้นออกไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายเป็คนละคนครับคนหนึ่งจบสิ้นลงอีกสถานการณ์หนึ่งปรากฏขึ้น ทุกย่างก้าวของเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีไม่รู้ความจริงของชีวิตแต่ทุกย่างก้าวของพุทธะคือการแจมแจ้งในความจริงของชีวิต <c oughs> ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเองเมื่อลุ่งเช้าขึ้นมานะครับก้าวย่างที่ทรงเสด็จจงกลมครั้งแรกเนะี่ยเป็นก้าวย่างของพุทธะที่พุท ธ, ธกยานะครับที่ตัรลุก็จะทำเบ็นดอกโบบาลนะกี่กี่ก้าวเนี่ยผมไม่แน่ใจพระเจ้าโศดรับสั่งนะครับเพราะนี่คือก้าวย่างของพุทธะ ปรากฏขึ้นในโลกแล้วครับที่จริงเก้ายอดเจ็ดเก้าในดอกโบบานนะไม่ได้หมายเจ็ดแคว้นนะตีความพลาดเคลื่อนไปเองที่จริงมันหมายพุทธชงเจ็ดเมื่อพุทธะปรากฏพุทธชงปรากฏฉันว่าอย่างนั้นนะครับผมทะเละอะไรอนอกเรื่องเลย <c oughs> ทีนี้คิดว่าไปช่วงท้ายแล้วนะครับที่จะเล่าเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยให้ท่านผู้สนใจฟังนะครับว่า ต่อพินัยกรรมที่ท่านอาจารย์วางไว้นะฮะต่ออัติและอังคารคือกระดูปูภาษาชาวบ้านกระดูกและขี้เท่ามีการตีความกันมากครับซึ่งในการถอยแพร่การตีความนั้นแนวทางหนึ่งซึ่งออกมาจากคุณครูธรรมาธาตุผานิตน้องชายของท่านนะครับที่ว่าการให้โปรยกระดูกที่ต้นน้ําตาปีเขาศกช่องอ่างทอง แล้วก็เขาประสงค์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทั้งมหาญาณเถราวาทผมเองต้องขอแสดงความไม่เห็นด้วยนะฮะในที่นี้ <c oughs> ผมคิดว่าตามที่ผมรู้จักท่าน <c oughs> นี่ต้องมองจากฐานของสุนทรียภาพและความรักในธรรมชาติ <c oughs> นเออ สำหรับที่เขาประสงค์นั้นไม่น่าสงสัยครับเพราะกระดูกบัพพชนท่านอยู่ที่นั่นเปนที่รู้กันว่าท่านรับท่านสั่งมาตั้งนานแล้วว่าให้กระดูกท่านไปสุกไว้ในซอกผาซึ่งกระดูกมารดาของท่านอยู่ที่นั่นแล้วบนเขาพระทองนั้นนะครับจะมีช่องที่เรียวหน้าต่างท่านอาแบบจารย์มีเราว่างขึ้นมาก็นั่งมองผ่านไปสู่เขาเ ข, ข, ขาประสงค์คล้ายๆเป็นที่ระลึกถึงมารดา ข, ของท่านท่านเคยเล่าว่าเมื่อนั่งรถไฟ ก็กว่าจะลับสายตาจากยอดเขานั้นก็นานมากได้ดูกระดูกของมารดาไปด้วยส่วนที่ให้ไปโรยกระดูกฐานเท่าลงที่เขาส่งผมคิดว่าเป็นการความรู้สึกเยี่ยงเมธีที่ทุกสิ่งอย่างคืนสู่กระแสะธรรมชาติกระแสะธรรมชาติมากกว่าที่จะเล่าเรื่องพุทธศาสนาแล้วเรื่องพุทธศาสนาในแง่โบราณกดีมยังคุมเครือ ย, อยู่ด้วยครับมันไม่ไม่สรุปได้ บั้นปลายของชีวิตท่านฮะคบั้นปลายงชีวิตท่านที่ผมยังทันอยู่นั่นหมายว่าผมออกจากสมองมาหลายปีด้วยนะครท่านเคยเรียกผมไปพบแล้วก็ยื่นกล่องกระดาษขนมปังคือ ท, ท่านมีคนถวายขนมปังให้ท่านเล็กกล่องมันเขียนเป็นรูปนักปลากจีนนั่งอยู่บนเกาะที่มีเก่งจีนสล า, างท่านบอกว่าอาผมคิดว่าเมื่อแก่เท่าแล้วผมอยากไปอยู่ในที่ช่นนี้คือท่านคิดเยี่ยงเมทีครับ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 ให้เราออนโยนมีความรู้สึกที่นิ่มนวลขึ้นดยนักธรรมชาติเป็นมีวามหมายลุ่มลึกในทัศนะของท่านนะต่อตนนี้ผมคงจะไม่มีอะไรที่ที่จะนำเสนออีกแล้วนะครับนอกจากเล็กเล็ ก, ลกน้อยเกินไปที่จริงไม่พูดก็ไม่มีประโยชน์อะไร <laughs> รอบๆกุติท่านเนี่ย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 ปลุกเราไ อ, อ้ความรู้สึกภายในให้เราพึ่งตัวเองให้ได้ให้เร็วด้วยจึงจะอยู่รอดปลอดภยัยเพราะคว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับอีกสักอันหนึงครับงานประติมากรรมชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์คือลานหินโค้รสถาปรายกรรมธรรมชาติพาะปนิกสำคัญคนหนึ่งเดินทางนั้นเขาเขายอมรับว่านี่เป็นงาน แปลกง่ายตรงเพลงเลยแล้วบรรลุเป้าหมายทั้งด้านสุนทรีและฝั่งหน้าที่ใช้สอยลานหินโค้งทุกคนเคยไปก็จะนึกออกอดไม่ได้นะครับที่ต้องโยงถึงการทำงานของท่านเมื่อสมัยผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆเนี่ยท่านอาจารย์หนึ่งจะเรียกยังหนุ่มอยู่ก็ได้นะแต่ว่าอายุหกสิบกว่าแล้วท่านนึงแข็งแรงขึ้นเขาได้เวลาเขียนรูปฝาผนังท่านก็มาตีกรอบให้ แต่ว่าในตรงกลางนั้นก็คือคล้ายๆจะแนะนำวิธีทำงานให้ดารงจิตใจอย่างไร <Yeah. S 1> ถ้าเราเคยได้ยินบทกวีจีนนะอย่างเรามีโครงสี่สุภาพของเราบทประพันธ์มีที่เป็นหลักก็คือกรอนครับหรือฉันซึ่งเราได้อยืนมาจากอินเดียมีสัมผัสนอกมีคลุระหูนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโครงสี่สุภาพก็ดีโครงด้านบาดคุญชรก็ดี เราได้รับอิทธิพลจากจีนครับช่วยนึกถึงภาพยนตร์จีนสักเรื่องหนึ่งที่เซียนคนหนึ่งเนี่ยเป็นขอทานแล้วก็ถือกลับแล้วก็ร้องเพลงสีจังหวะนึกออกไหมฮะก๊กก๊กก๊กกกไกเลยที่ผมผมทบทวนอย่างนี้เพราะว่าคราวหนึ่งมีการแปลตําราจีนที่สําคัญมากนะฮะคิดว่าคุณเพลงหัวจะทราบดีครับ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 แต่ไม่ไม่ต้องตีข้อจังหวงนะนฮะทันใดนั่นแหละสี่คำนะฮะกุมานผู้ชาญฉลาดเลิดล้ำยกนิ้วขึ้นหนึ่งไม่กล่าวสักคำธรรมะแท้จริงอยู่เหนือการกล่าวไม่พูดนั่นแหละคือการแสดงธรรมมันแปลได้ไปเลาะมาผมเองคนคัดลอกไปที่วัดชนะระทานนะคอยากจะจดนื้อความก็ไปที่นั่นเพราะจริงลุ่มลึกแล้ว ชวนอะไรชวนทบทวนกิเลสนั้นเล่าเปรียบดวลเมฆหมอกขั้นเมื่อวายุพัดผ่านมาพลันจันก้อนวนขาวฉายแสงทั่ ว, ท, วทั้งปตผีอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความฉลาดในการถ่ายทอดทั้งชั้นเชิญก ว, วีนิพนธ์และเนื้อหามาสู่ภาษาของชาติตนของชนชาติตน ดูเหมือนว่านี่เป็นปณิธานในงดงามยิ่งท่านที่จะถ่ายทอดสิ่งดีในวัฒนธรรมอื่นนะฮะส่วนใหญ่เรามักจะคําคนึงว่าทําอื่นเป็นประปักษ์กับวัฒนธรรมของเราเราไม่คัดเฟ้นท่านอาจารย์นั้นได้แปลคําสอนฮวงโปไวห้หลังอะไรนะี้ด้วยชั้นเชิงของนักแปลผู้ผู้ประสงค์จะถ่ายทอดสิ่งดีๆนําเข้าสิ่งดีๆเข้ามาและเผยแพร่สิ่งดีๆสุดท้ายผมคงพูดเรื่องสิ่งค้างใจท่านอาจารย์นะครับ เพราะว่าผมผมฟังแนละ้วท่านท่านทำไม่ได้ในช่วงอายุของท่านสิ่งค้างใจของท่านก็คือวัดที่เบตดซึ่งท่านต้องการจะให้พุทธศาสนาแบบที่เบตดปรากฏขึ้นในในสวนโมกแลวทำไม่ได้ครับด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่พร้อมเรือลำที่เป็นถังน้ำหลังที่สองนะฮะท่านประสงค์ที่จะให้เขียนเรื่องนารายณ์สิบปางเพื่อ ควบคู่กับทฤษฎีวิวัฒนาการในโลกของวิทยาการแผนใหม่เพราะนารายสิปางมีอะไรที่พอจะเปรีย บ, เ, ยบเทียบกันได้แต่เป็นการมองคนละแง่มุมครับการสุดท้ายก็คือความประสงค์ที่แทนคุณอินเดียนี่มีอยู่อย่างแรงกล้านะครับแต่ท่านก็จบช่วงสมัยชีวิตของท่านสะ ก, กาอนผมเร่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อจะอวดอ้างว่าผมเองถ้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมมากมาย อย่างนั้นนะครับเยีางที่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี ม, มุมที่ผมรับฟังนั้นอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่นเพราะผมฝึกปรือมาทางศิลปอภาพทางศิล ป, ปะเมื่อรับฟังแล้วก็น่าจะเจรออจารสู่คนอื่นไม่ได้มีเจตนาที่จะโอดอ้างอะไรเลยนะครับคราวหน้าผมจะพูดตามที่พิปกาศไว้เรื่องชาติพันธ์ของพระพุทธเจ้าตามเขาความคิดของท่านอาจารย์สุโมก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 ท่านตริงว่าอารยิยธรรมนี้แปลว่าผู้เจริญเท่านั้นคืออริยกะไม่ได้หมายถึงเผ่าอะไรอย่างแต่จะเป็นเผ่าไหนก็ค้างไว้หววหน้าครับขอบคุณที่อดทนฟัง